มงกุฎไพรเล่มสองตอนที่193บัตรัดนี้หัวใจอันร้อนเร่ากระวนกระวายมาตลอดเวลาแห่งการเริ่มต้นเดินทางเริ่มสุขสงบลงแล้วอยากจะมองเห็นภาพเหลือเกินว่าขณะนี้พรพินไพรวันกำลังอยู่ในภาวะใดคณะที่เดินทางมาด้วยกันกับเขาทั้งหมดเหล่านั้นยังอยู่กันครบถ้วนดีหรือไม่หรือว่ามีใครล้มหายตายจากไปบ้าง สภาพของแต่ละบุคคลจะเป็นเช่นไรและได้ออกเดินทางมาจากถนนพระศิวะแล้วหรือว่ายังหยุดพักกันอยู่บนหัวถนนแห่งนั้นแล้วก็อดคิดไปไม่ได้ว่าถ้าฝ่ายหล่อนอยู่รอตำแหน่งที่ขึ้นมาอยังถนนพระศิวะตอนแรกโดยไม่ออกเดินทางมาเวลาค่ำหรืออาจดึกลงเล็กน้อยฝ่ายของรพินก็น่าจะเดินทางมาถึงและพบกันระหว่างทางได้พอดี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 จะอย่างไรก็ตามหล่อนได้มีความหวังที่เด่นชัดแน่นอนที่สุดแล้วในที่สุดราชาสกุลสาวรำพึงอยู่ในใจในที่สุดฉันก็ตามเธอมาจนแลเห็นเงาอยู่หน้าบัตรนี้แล้วแต่เธอคงจะไม่รู้หรอกนะว่าดารินคนนี้ยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาตามเธอถ้าเธอเห็นฉันได้อย่างไม่คาดฝันกลางราชาฐานมรกนครเธอจะรู้สึกอย่างไร และตัวฉันเองล่ะจะมีความรู้สึกในขณะนั้นอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะทำนายใดๆ ไ, ไ, ได้ถูกเลยครั้นแล้วตะวันก็เลือนแสงท้องฟ้าเริ่มสลัวหมัวมืดลงกองทัพมาของราชนีแห่งมรกตนครได้หยุดพักอยู่บนไหลถนนตำแหน่งหนึ่งเนื้อเนินสูงใกล้ทาน้ำตกเล็กๆกระโจมพักแรมได้ถูกขึงกางขึ้นในทันทีสาหรับเป็นที่พักแรมราตรีของฝ่ายอาคันตุ ก, กะ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 คงสนทนาพูดจาอยู่กับทุกคนในสภาพปกติแต่ถ้ามีใครมีสายตาที่แหลมคมสังเกตจับอยู่ตลอดเวลาก็อาจเห็นได้ว่าน้องสาวคนเล็กมีอาการแช่มชื่นสุขใจและแววตาแจ่มใสผิดไปกว่าทุกครั้งแต่ก็ไม่สะดุดใจใดทั้งสิ้นเพราะย่อมเข้าใจว่าดารินดีใจที่ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่หวังไว้แล้วซึ่งนั่นคือความสาเร็จอันสูงสุดชนิดหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ อันทุกคนก็มีความรู้สึกในทํานองเดียวกันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จระหว่างที่พวกพี่ๆยังนั่งสนทนากันอยู่กับนานอินและขยินดารินแยกตัวไปเอนกายลงนอนอยู่บนพรมหนังแกะนุ่มในลักษณะชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งสีษะพิงเป้หลังสูบบุหรี่พ่นควันช้าๆและสงบเงียบอยู่คนเดียวจมลึกอยู่ในความคิด ชั ย, ยันไม่เห็นหล่อนร่วมวงอยู่ด้วยนานพอสมควรและเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้จึงเหลียวมองหาพอเห็นก็ทักมายิ้มยิ้มว่าอ้าวไปนอนเงียบๆอยู่คนเดียวตรงนั้นเองหรือกำลังคิดอะไรอยู่น้อยดารินยิ้มให้นิดหนึ่งเป่าควันบุรีเป็นทางยาวขึ้นไปเบื้องสูงตอนนี้ไม่ได้คิดถึงรพินเลยนะบอกตามตรงเพราะคิดเสร็จจนไม่คิดแล้วแต่กาลังคิดถึงแง่ร า, ายกับส่างปลา ทุกคนหัวเราะในคําพูดของหล่อนพรุ่งนี้เราก็จะได้พบเขาทั้งสองคนแล้วอนุชาบอกมาอย่างอารมณ์ดีเป็นพิเศษและเทคิดถึงมากเป็นพิเศษอีกสี่คนก็คือบุญคําจันทร์เกิดและเสยสทหารเอกของระพินนั่นอยากพบอยากเห็นหน้าเหลือเกินสําหรับเด็กๆสี่คนนั่นบุญคํากับจันอนะไม่ใช่เด็กแล้ว แต่ถ้าเกิดหรือเสยเธอจะเรียกเด็กก็ยังพอไว้ชยันแยกงมาอย่างขัดขัดหูบุญคำจะแก่สักขนาดไหนจันรจะอายุสักเท่าไรเขาก็ล้วนเป็นเด็กสำหรับฉันเสมอและฉันก็รักเขาอย่างมากทั้งสี่คนนั่นแหละไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าคนใดคนหนึ่งต้องเป็นอะไรไปในการเดินทางครั้งนี้ฉันคงให้อภัยรพินยากทีเดียว เจ้าธโมลสี่ตัวของระพินนะ่นะหัวแข็งกว่าตัวเจ้านายเสียซ้าไปนะจะบอกให้ไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างตรงข้ามระพินของเธอเสียอีกที่มีโรคประจาตัวเผลอๆก็ลงนอนจับสันเป็นเป็นเจ้าเข้าไม่ได้สติสตางโดยแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแข็งแรงอะไรเลยเพียงแต่เป็นคนมีฝีมือเท่านั้นอนุชาว่าดารินยากไหลน้อยไม่ค่อยห่วงระพินสักเท่าไรหรอคะ สำหรับเดี๋ยวนี้พระมาคิดได้ว่าถึงอย่างไรแม่แม่แมผมทองกับแม่ผมแดงนั่นคงไม่ยอมให้เขาต้องเป็นอะไรหรอกคงระวังดูแลอยู่แทบชนิดไม่ให้คราาสายตาทีเดียวเอาแล้วไงเช็ดเท้าบ่นเบาๆพรางหัวเราะมองดูน้องสาวอย่างเอ็นดูพอเริ่มมีความหวังว่ากำลังจะตามกันทันน้อยก็เริ่มคิดไม่ค่อยจะดีกับเขาแล้วนะเปล่า น้องสาวคนเล็กร้องเสียงสูงดิดเท่าบุรีลงกับพื้นพ้นบริเวณที่ปูลาดด้วยพรมหนังแกะน้อยไม่เคยที่จะคิดไม่ดีกับระพินก็คิดดีกับเขามาตลอดนั่นแหละแต่เอาความจริงมาพูดต่างหากอเมริกันพวกนั้นต้องเพิ่งพาเขาอยู่แล้วคงไม่ปล่อยให้ระพินเป็นอะไรหรอกถึงเป็นก็ต้องรักษาเยียวยากันอย่างสุดฝีมือทีเดียวเพราะชีวิตและความหวังของทุกคนฝากอยู่ที่เขาคนเดียวแต่ในทางตรงข้าม ถ้าพวกลูกศิษย์ของรพินเป็นอะไรลงไปพวกนั้นคงไม่รู้สึกอะไรนะักเพราะไม่ใช่กุญแจสําคัญในการเดินทางแต่ในระหว่างที่เดินทางมากับเราในครั้งก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นสี่คนนั่นหรือแม้แต่พวกลูกหาบน้อยจะดูแลเอาใจใส่อย่างดีหมดทุกคนมีคําถามให้ทุกคนช่วยคิดอยู่ว่าสมมติว่าเราได้พบกับคณะของเขาแล้วรพินมองเห็นน้อยแล้วเพียงแต่ยิ้มยิ้มทักทายเฉยเฉย แบบคนเคยรู้จักกันธรรมดาน้อยควรจะทำยังไงดีแล้วน้อยหวังว่าเขาควรจะทำอย่างไรล่ะอนุชาถามมาปนหัวร้องเบาๆดารินนึ่งอึ้งไปชั่วขณะตามองดูปลายบุรีที่กำลังส่งควันกลุ่นอยู่และก่อนที่หล่อนจะกล่าวเช่นไรต่อมานั่นเองทุกคนก็แววเสียงฝีเท้าย่ามพื้นใกล้บริเวณกระโจมพักเข้ามาพร้อมกับเสียงฝักดาบแก่งกระทบ แล้วร่างอัน ง, งามสง่าของเมยานีในชุดนักรบชาวมรกรณครชุดเดิมกับที่ได้พบกันในตอนบ่ายก็แหวกกระจมเข้ามาด้วยใบหน้าอันยิ้มแยม้มทุกคนไหวตัวหันไปกล่าวทักทายนางและดารินก็ดึงกายลุกขึ้นในทันทีนางพญาแห่งมรกรณครกวาดเนธแลยไปยังทุกคนกล่าวปราศัยถามถึงสภาพการพักผ่อนตลอดจนอาหารการกิน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 แผ่นดินนี้เปรียบดังบ้านอีกแห่งหนึ่งของพวกท่านทั้งหลายนางได้กล่าวขึ้นด้วยกระแสเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนและคนไปด้วยรอยยิ้มขอให้ทุกท่านทำตัวให้สบายและปลอดโปร่งใจไร้กังวลทั้งมวลกลางป่าดงขุนเขาลำนาไพรที่เรายังพักแรมพนกันอยู่นี้ก็อาจมีสิ่งขาดตกบกพร่องที่ไม่สะดวกอยู่บ้างแต่ทุกสิ่งจะเพียรพร้อมเมื่อเหล่าท่านได้เข้าไปถึงราชฐานแล้ว สำหรับราตรีพักแรมนี้หากขัดข้องหรือปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้แจ้งแก่ทหารที่จะทำหน้าที่คอยพิทักษ์เวณยามให้แก่ท่านอยู่รอบด้านโดยไม่ต้องเกรงใจทั้งสิ้นแม้จักรราชจะไม่ได้เสด็จมาพบปากกับเราด้วยในขณะนี้แต่เธอก็ให้การต้อนรับกับเราอบอุ่นมากเมยานีเชษฐาตอบคำอย่างจริงใจขณะที่นางได้ก้าวย่างขึ้นมานั้น ทุกคนได้ลุกขึ้นยืนต้อนรับทั้งหมดอย่างแสดงอาการคาราวะให้เกียรติราชนีแห่งมรกนคร อ, อยู่ในทีและเรายินดีที่เธอเข้ามาเยี่ยมเราในเวลานี้เพราะกำลังอยากจะพบอยู่ด้วยอาการหัวเราะเบาๆและเนรที่เป็นประกายแจ่มเมยานีเชื้อเชิญให้ทุกคนนั่งลงตามสบายเหมือนเดิมและตัวนางก็หย่อนกายลงนั่งร่วมวงด้วยยิ่ยงอดีตลูกสาวหัวหน้าขบวนการใต้ดิน ผู้ต่อสู้กับพวกโทรราชในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ถือตนอย่างใดทั้งสิ้นเป็นที่ชื่นชมและอบอุ่นไว้วางใจอย่างสนิทของฝ่ายของเชษฐาทุกคนนางไม่ได้มีท่าทีเปลี่ยนแปลงปจากเมยณีคนเดิมที่เคยพบเห็นในครั้งก่อนเลยแม้จะเปลี่ยนสภาพการไปเป็นราชนีแห่งอาณาจักรไปแล้วก็ตามเข้าใจว่าพวกพี่ๆคงอยู่ระหว่างการพักผ่อน แต่คงยังไม่ง่วงหรือเข้าหลับนอนกันก่อนเมยานีจึงเข้ามาเยี่ยมเยือนสนทนาด้วยแต่ก็จะไม่อยู่กวนเวลามากเกินไปนักเธอมาก็ดีแล้วพี่ใหญ่พูดอยู่เมื่อครู่นี้ว่าอยากจะมีโอกาสได้สนทนากับเธอก่อนที่จะเข้าไปถึงพระนครเพราะยังมีเรื่องที่จะคุยด้วยมากพบปะกันครั้งแรกและตลอดการเดินทางมานี่ยังไม่มีโอกาสพูดคุยอะไรกันได้มากนะัก ทางรากำลังอยากจะให้ทหารไปเชิญเธอมาแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการสมควรหรือไม่พอดิเธอเป็นฝ่ายรู้ใจพวกเราดีและแวะเข้ามาเยี่ยมหาเองต้องขอบใจมากดารินว่าแล้วเข้าไปนั่งชิดใกล้เมยานีชนิดกระทบไหลนางคงแย้มสนเบาๆอย่างอารมณ์ดีอยู่เช่นนั้นมองสบตาเาชษฐาชัยยันและอนุชาไปตามลาดับ เมญานีทราบ ว, ว่าทุกคนทุกท่านณที่นี้ประสงค์จะสอบความเอากับเมยานีในสิ่งที่ยังเป็นปริศนาอยู่ในใจก็เอาเฉพาะเท่าที่เธอพอจะให้ความจริงแก่เราได้ก็แล้วกันอดีตพรานชดกล่าวเบาๆและชัยยันก็เสริมมาในทันทีว่ารับรองว่าเราจะไม่คาดคันบีบบังคับให้เธอต้องบอกในสิ่งที่เธอยังไม่ได้สามารถบอกได้ก่อน นึกว่าเราสนทนาปราศัยกันธรรมดาก็แล้วกันครั้งนั้นเราจากกันชนิดที่ไม่คิดไม่หวังว่าจะได้ย้อนหวนกลับมาพบกันอีกแต่เดี๋ยวนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งแล้วจัดว่าโชคดีที่สุดก็คงต้องมีสารพัดเรื่องที่จะถามไถ่ทุกสุขซึ่งกันและกันทางฝ่ายเธอนั้นดูเหมือนจะรู้อะไรของเรามาก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยอานาจพิเศษแต่ทางฝ่ายเรานั้นมืดมนไปหมดครั้งแรก เรามาตามพรานชดกับพรานหนานอินโดยมีพรานรับพินนําทางมาแต่คราวนี้เรามาตามพรานรับพินโดยมีพรานชดกับพรานเท่าห น, นานอินเป็นผู้นําทางไมยานีก้มศีลดลงน้อยๆ น, นี่เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญสําหรับน้ําใจของเพื่อนแท้ซึ่งไม่มีวันทอดทิ้งกันและนางจับข้อมือของดารินไว้บีบแน่นกระชับต่อมาว่ารักแท้ที่จะต้องมาตาม แม้จะเห็นความตายขวางหน้าอยู่อย่างชัดแจ้งเมยานีขอน้อมคำนับในน้ำใจอันประเสริฐของเหล่าท่านชาวมรกรนครนิยมในน้ำใจอันซื่อตรงหนักแน่นมั่นคงเช่นนี้ของมวลมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ก็ตามหากทรงไว้ซึ่งความรักสามัคคีห่วงหาอาทรและเสียสละให้แก่กันได้เช่นนี้เราก็ขอเทิดทูนคาระวะพวกท่านไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว แต่เรายังไม่ได้ข่าวคราวของรพินเลยอนุชาเอ่ยขึ้นเหมือนจะบ่นกับตัวเองถ้าพรานรพินมุ่งหน้ามาที่นี่จริงอีกไม่นานพวกท่านก็คงจะต้องได้ข่าวของเขาเว้นไว้เสียแต่ว่าเขาจะตายเสียก่อนเท่านั้นนางกล่าวเรวยเรีย บ, ยบซ่อนยิ้มไว้สนิทรอบชำรเลืองหางตาไปทางดารินก็เห็นอยู่ในอาการปกติไม่ได้มีอาการกริยาเช่นใดทั้งสิ้น อันแสดงว่านายหญิงรักษาสัจจวาจาวไว้ได้จริงโดยไม่ได้แพร่งพรายสิ่งใดออกไปให้คณะทั้งหมดรู้เมยานีเชทฐาก่าวขึ้นอย่างแช่มช้าพี่อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องยานอากาศของมนุษย์โลกภายนอกที่มาอับปางอยู่ในดินแดนของเธอมันตกอยู่ที่ใดบริเวณไหนพอจะให้พวกพี่รู้ล่วงหน้าก่อนได้ไหมเป็นอีกคาถามหนึ่ง ที่ตรงเข้าเป้าหมายสำคัญที่สุดซึ่งทุกคนเงี่ยวหูผึ่งและจ้องไปทางนางพญาแห่งมรกรนครเป็นตาเดียวไม่มีอะไรที่เมยานีจะต้องอําพรางในเรื่องนี้ค่ะพี่ใหญ่อากาศยานลักนั้นได้พลัดหลงเข้ามาในเขตแดนของมรกรนครและได้ร่อนลงมาสู่ความอับปางพินาศอยู่ยังบริเวณพื้นราบด้านหลังของมหาปราสาทพระแม่เจ้าอุมาเทวี หรือมหาสุสานอันเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ราชวงศ์เทพที่พวกพี่ๆได้เข้าไปเยี่ยมเยือนแล้วเมื่อคราพิธีบรรจุศพของขุนพลกุตมะครั้งนั้นและบัดนี้ก็ยังคงปรากฏซากอยู่ที่นั่นอยู่เหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นประกาศสิทธิจากองค์จักรราศไม่ให้ชาวมรกนครคนใดเข้าไปแต่ต้องยุ่งเกี่ยวด้วยมีสภาพอับปางครั้งแรกอย่างใดก็คงอยู่เช่นนั้น ทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอีกครั้งมันตกอยู่หลังมหาปราสาทอุมาเทวีถ้าเช่นนั้นก็ไม่ห่างไกลจากตัวพระนครออกไปนักนะสิเส้ฐาอุทานออกมาเบาๆนางก้มศีรษะลงนิดหนึ่งก็ไม่ห่างออกไปนักมีมนุษย์ประจำอยู่ในยานอากาศลำนั้นด้วยแต่พวกเขาพี่ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไรและบัดนี้พวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง ชายร้องถามมาเร็วปรือมีมนุษย์ติดอยู่ในยานอากาศที่อับปางลำนั้นจำนวน24คนทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดซากศพยังติดอยู่ในตัวยานบัดนี้คงจะเหลือแต่กระดูกแล้วเพราะแรงลงอดีตนายทหารปืนใหญ่ผิวปากโดยแรงหันมองหน้าพักพวกทุกคนเป็นอันว่าเราได้ข่าวแน่ชัดแล้วเกี่ยวกับเครื่องบีห้านั้น คิดไปไม่ถึงเลยว่ามันจะไปตกอยู่หลังมหาสุสานอันเป็นแหล่งเดียวกับที่เก็บขุมเพชรพระอุมานั่นเองชเชษฐาเม้มริฟิปาเกิดเป็นเส้นตรงมันตกลงในสภาพไหนพี่นาฏยับเยินเพียงไรและมีอากาศแตกระเบิดมีไฟลุกไหมขึ้นบ้างหรือไม่อนุชาซักต่อมาเริ่มกระสับกระสายไม่เป็นสุขนัก ยานลำนั้นตกลงมาเหมือนนกร่วงตกลงมาจากท้องฟ้านางบอกส่วนหัวของมันปักจมลงไปในพื้นดินส่วนที่ดูเหมือนปีกข้างหนึ่งหักพิาตและมีส่วนอื่นๆแต่กระจายเป็นเศษอยู่รอบๆ อ, อนาบริเวณไม่มีอาการไฟลุกขึ้นอย่างใดทั้งสิน้นเป็นยานขนาดใหญ่มากชาวมรกตนครเห็นมันร่อนลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนไม่มีเสียงใดๆทั้งสิน้นร่อนต่ำลงและทำลง แล้วในที่สุดมันก็เอาส่วนหัวปักทิ่มลงกับพื้นสุดสิ้นปริโยสารอยู่ณะตำแหน่งนั้นใ น, นวันที่มันอับปางลงมานั้นจักรราชเมยาณีพร้อมด้วยกองทัพมรกรนครส่วนหนึ่งได้ออกมาดูเพราะได้รับรายงานกราบทูลจากกองทหารมา้าลาดตะเวนจักรราชทรงรับสั่งให้เหล่าทหารและประชาชนทั้งหลายอยู่ห่างๆพระองค์เสด็จควบม้าเข้าไปจนถึงซากนั้นเพียงลําพังองค์เดียวเมื่อ ทรงกลับออกมาก็ทรงบอกกับเมยานีว่าถึงเวลาที่พรานใหญ่รพินไพรวันจะต้องกลับมายัางมรกรนครอีกแล้วแล้วก็ทรงประกาศห้ามไม่ให้ชาวมรกรนครคนใดเข้าไปในรัศมีใกล้เคียงอีกเลยเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นนานเท่าไหร่มาแล้วดารินขยาวแขนถามพยายามระงับความตื่นเต้นไว้อย่างเต็มที่ประมาณสีเดือนเศษที่ล่วงมาแล้วเมยานี เมื่อยานลำนั้นล่วงล้าเข้ามาตกพินาศในดินแดนนี้นอกจากจักรราชจะรับสั่งทํานายเหตุการณ์ว่าพรานรพินจะต้องหวนกลับคืนมาที่นี่แล้วพระองค์รับสั่งอย่างใดอีกบ้างผู้ถามในครั้งนี้คือเชษฐาซึ่งสุ ข, ขุมและรอบคอบเยือกเย็นกว่าทุกคนในคณะไม่ได้ทรงรับสั่งเช่นไรอีกนอกจากพระองค์จะเริ่มต้นปฏิบัติกิจชนิดหนึ่งอย่างเคร่งครัดนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อขอให้เกิดผลบางประการ เมื่อพวกพี่ๆได้ไปถึงพระนครก็จะได้เห็นเองว่าพระองค์กำลังทรงปฏิบัติอะไรอยู่และเมื่อก่อนหน้าที่คณะของพี่ใหญ่จะเหยียบขึ้นกลางถนนพระศิวะได้มีองค์การตรัสใช้ให้เมยานีนำกองทัพมาคอยดักรับอยู่อย่างตำแหน่งที่เราได้พบกันเมื่อบ่ายนี้ท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าช้าๆก็น่าจะแปลว่าพระองค์ทรงรู้อยู่ล่วงหน้าแล้ว ว่าพวกพี่จะมาถึงเมื่อไรจรึงกำหนดสั่งให้เธอไปคอยดักรับอยู่เช่นนั้นในตำแหน่งที่ถูกต้องซิด้วยเราจะพูดถึงยานลำนั้นอีกครั้งในตัวยานได้บรรทุกเอาอาวุธมหาปรายร้ายแรงของชาวโลกภายนอกติดมาด้วยเมื่อมันมาอับปางอยู่ที่นี่พวกพี่เป็นห่วงเหลือเกินพิษร้ายของมันสามารถจะทำลายทั้งพืชพันธุ์และทุกชีวิตให้สูญสิ้นไปได้ทั้งแผ่นดินทีเดียว ถ้าหากมันเกิดแตกหรือระเหยขึ้นเมยานียิ้มสั่นเสียะน้อยๆขอให้พี่อย่าได้เป็นห่วงวิตกในเรื่องนั้นไปเลยในแผ่นดินของพระสิวเทพที่ประทานให้แก่พวกเราได้มีชีวิตอยู่ตรงเซีย่ยวนนี้จะไม่มีอำนาจใดๆของมนุษย์จากโลกภายนอกเข้ามาสําแดงพิษภัยเป็นอันตรายต่อพวกเราได้เลย มันจะคงเหลือสภาพเพียงแค่วัตถุเหมือนสะเก็ดดาวที่ร่วงหล่นลงมาเท่านั้นจักรราชไม่ได้ทรงวิตกอยู่ในเรื่องนี้เลยทรงวิตกห่วงใยแต่เพียงคณะของพวกท่านทั้งหลายจะเดินทางมาไม่ถึงมรกรกนครเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ทรงกังวลที่สุดนางกล่าวเพียงเท่านั้นก็แสดงท่าให้ทราบชัดโดยอาการายเบี่ยงปฏิเสธที่จะตอบคาถามใดๆอีก โดยยืนยันแต่เพียงขอให้ทุกคนได้เดินทางเข้าไปถึงพระนครเสียก่อนแล้วสิ่งอันเป็นข้อสงสัยทั้งมวลก็จะได้ประจักษ์แจ้งออกไปเองขณะดเดียวกันนางก็ชวนสนทนาไปถึงสารทุกสุขดิบของแต่ละบุคคลแม้แต่นานอินและขยินซึ่งทุกคนก็โต้อตอบสนทนาด้วยอย่างมีความสุขเมื่อ ย, ย้อนระลึกไปถึงวันคืนในอดีตที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาในคราวศึกกู้ราชบัลลังก์ เมื่อได้เวลาอันสมควรนางได้ลุกขึ้นกล่าวคำอำลาชั่วคราวเพื่อจะกลับไปยังกระโจมพักของตนขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเป็นสุขไร้กังวลใดๆทั้งสิ้นที่ว่ารุ่งพรุ่งนี้เมื่อเห็นแสงตะวันเราจะเร่งออกเดินทางทันทีกำหนดจะถึงมหานครในยามบ่ายเมยานิกล่าวเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่จะโบกมืออาลาและผ่าออกไปจากกระโจมพักของคณะอคันตุกะ เมื่อนางพยาแห่งมรกรนครรับกายออกไปแล้วทั้งหมดก็หันหน้าเข้าหากันอีกครั้งเมยานีพูดทิ้งค้างไว้เป็นปริศนามากจักรราชหรือแงซายกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่อนุชา ต, ตั้งคำถามขึ้นกับทุกคนใช่แล้วก็บอกด้วยว่าการปฏิบัติกิจเช่นนั้นเพื่อเป็นการช่วยให้ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายของรพินไดมาถึงที่นี่สาเร็จปลอดภัยด้วย ชั ย, ยันเสือมาอีกคนหนึ่งอย่างงงงเชษฐาห้ารีตาลงเอามือลูบ ป, ปลายคางเง่ซายเป็นลูกศิษย์ของมหารฤาษีโกธั ญ, ญะและก็เป็นคนที่มีญาณสูงมากด้วยท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นแผ่วเบาอย่างระมัดระวังแต่เราอย่าเพิ่งคิดเดาอะไรออกไปก่อนเลยก็อย่างที่เมยานีบอกนั่นแหละเมื่อไปถึงแล้วเราคงจะได้เห็นเอง ฟังตามคำพูดของเมยานีแล้วดูเหมือนกับว่านับตั้งแต่พวกเรามีการเคลื่อนไหวออกเดินทางมาในครั้งนี้แงซายจะร่วงรู้หมดทุกระยะทุกฝีก้าวย่างทีเดียวขนาดกำหนดเวลาที่เราจะเหยียบขึ้นถนนพระศิวะและจุดตำแหน่งไต่าทางขึ้นก็ยังสามารถรู้ได้ล่วงหน้ามิฉะนั้นกองทัพของเมยานีก็คงไม่ไปคอยดักรออยู่ถูกต้องหรอกดารินเงียบเฉย ในระหว่างที่พี่ๆปรึกษาหารือกันเองหล่อนกําลังใช้ความพิเคราะห์ไคร่ครวนอย่างหนักอยู่เช่นกันเว้นแต่จะไม่พูดเท่านั้นหล่อนน่าจะตระหนักในสิ่งลี้ลับที่เป็นปัญหาของพวกพี่ๆได้อย่างดีที่สุดเพราะปรากฏการณ์มหัศจรรย์แปลกๆมันได้ผ่านเข้ามาทางกระแสจิตของหล่อนตั้งแต่ต้นแล้วนับแต่รพินพราเดินทางจากหนองน้ําแห้งมาทีเดียวและแม้ครั้งล่าสุดก่อนที่ทั้งคณะจะเดินทางมาพบกับ กองทัพวานนอนของวายาซึ่งหล่อนเป็นคนเดินนําหน้าขบวนทั้งหมดมานั้นหล่อนก็มองเห็นเงาของแง่ทรายด้วยครองจักสุของตนเองเป็นผู้นําทิศทางแก่หล่อนโดยที่บุคคลอื่นที่เดินตามมาเบื้องหลังไม่อาจเห็นได้มันมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่หล่อนจําเป็นจะต้องเก็บงําไว้ในความรู้เห็นและเข้าใจของตนเองตามลําพังและตลอดไป ชนิดจะปรีบปากบอกใครไม่ได้เลยมันแน่ซะยิ่งกว่าแน่ในข้อที่ว่าหากแงซสายไม่ส่งพลังอำนาจจิตเข้ามาคอยเป็นพี่เลี้ยงชี้นำและชักจูงโดยเฉพาะเจาะจงผ่านมาทางหล่อนโดยเฉพาะแล้วก็ไม่มีวันเสียหรอกที่ทั้งคณะจะหวนกลับมาอย่างดินแดนมรกรนครได้อีกครั้งมันพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าหลอนไม่ได้หลงคิดเพ้อพกไปเองด้วยอุปทาน แต่มันเป็นมิติแห่งดวงจิตที่ทรงพลังอย่างมหาศาลประดุดกระแสคลื่นของแม่เหล็กอันส่งมาบงการชักนำอยู่เหนือดวงจิตของหล่อนโดยตลอดทั้งภาพในนิมิตฝันและภาพที่เห็นทางจักสุประสาทในลักษณะลับๆล่อๆคล้ายภาพมายาจริงอยู่แงา้ายไม่ได้มีตัวตนมาคอยรับใช้หรือเดินร่วมอยู่กับคณะของหล่อนในการเดินทางมาในครั้งนี้เลย แต่เข้ามาด้วยกระแสจิตมาด้วยกายทิพย์อย่างแน่ชัดและมาเพื่อให้เห็นรู้เห็นเพียงลำพังคนเดียวแบบจิตสัมผัสจิตเฉพาะตัวบุคคลเพราะฉะนั้นบัดนี้หล่อนสรุปได้แล้วว่าตลอดระยะเวลาแห่งการติดตามพระพินครั้งนี้มีแง่ า, ายเจ้าอาดีตคนใช้เก่าแก่ร่วมทางมาด้วยทำหน้าที่มักคุเทศนำทางโดยไม่มีร่างกายแง่ท า, าย ผู้สามารถล่วงรู้และรับรู้ไปถึงอดีตชาติของหล่อนสมัยที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารีจิตรางคนางอย่างปุโปร่งและอาจรู้เห็นเรื่องราวในอดีตของตัวหล่อนยิ่งเสีย ก, กว่าเจ้าตัวเองด้วยซ้ําไปสิ่งอันเคยเป็นข้อปริศนาคลุมเครือของหล่อนนับบัดนี้มันกระจ่างชัดขึ้นแล้วอย่างไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยอีกต่อไปเงาทายไม่ได้เป็นแต่เพียงกษัตริย์ ผู้ครองแผ่นดินมรกรนครอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเขายังมีอิทธิอํานาจทางจิตสูงส่งเช่นเดียวกับโยโคีผู้บรรลุถึงยานชั้นสูงแล้วอันน่าจะเกิดมาจากพื้นภูมิกำเนิดเดิมประกอบกับการบาเพ็ญเพียรปฏิบัติหรือไม่ฉะนั้นก็โดยการมอบประทานมาให้เป็นพิเศษจากเทพเจ้าภายหลังจากได้ครองบัลลังก์มรกรนครแล้ว เดียวนี้หล่อนรู้แล้วว่าแง่ทายกำลังปฏิบัติภารกิจด้วยวัดชนิดใดอยู่แต่ไม่ใช่หน้าที่ของหล่อนที่จะต้องให้อัฐิานอธิบายแก่พวกพี่ๆซึ่งกำลังถกเถียงวิจาร์วิพากกันอยู่ในขณะนี้ต่อมาอีกเพียงครู่เดียวเช่ฐาก็สั่งให้ทุกคนนอนพักเอาแรงไว้และบอกให้พวกลูกหาบและขยินกับนานอินออกไปนอนยังกระโจมที่จัดไว้สาหรับฝ่ายของตนก่อนที่จะหลับไป หล่อนได้ยินทั้งสามชายปรึกษาหาหรือกันอีกสองสามประโยคเกี่ยวกับการเดินทางเข้าสู่มหานครวันพรุ่งนี้เพราะทุกคนจำทางแยกไปสู่สุสานหรือมหาปราศาสตรของอุมาเทวีอันเป็นตำแหน่งอับปางของเครื่อง B52 าอได้อย่างดีโดยอนุชาและชัยยันเสนอว่าควรจะแวะเข้าไปดูสร้างเครื่องบินตกก่อนแต่เชษฐาทวงไว้ว่า ให้เดินทางเข้าสู่ราชฐานตามคําสั่งของจักรราศก่อนอื่นใดทั้งสิ้นเพราะสราบเครื่องบินนั้นจะไปดูเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ขอให้ได้พบแง่ซ า, ายเสือ ก, ก่อนเท่านั้นแล้วทุกคนก็หลับไปอย่างสงบสันติสุขท่ามกลางกองทัพม้าของเมยานีที่พักพรายล้อมอยู่รอบด้านรุ่งขึ้นทั้งหมดของฝ่ายอคันตุกะต่างแดน ภายกันตื่นขึ้นตั้งแต่ก่อนตะวันขึ้นด้วยความแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าภายหลังรับประทานอาหารเรียบร้อยพวกทหารก็เข้ามาเก็บกระโจมพักและจัดม้ามาให้ทันทีเพื่อเตรียมออกเดินทางมีพระราชาสวนสีมาว่าหากพวกท่านทั้งหลายพร้อมแล้วเราก็จะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้สุกรีเหาะม้าเฉียดเข้ามาบอกแก่คณะทั้งหมดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพวกเราพร้อมแล้วสุกรี เชฐดาตอบแล้วสั่งให้ทุกคนขึ้นหลังม้าโดยไม่รอท่าท่ามกลางขบวนทัพที่เริ่มจัดแถวอย่างรวดเร็วแล้วชั่วอีกระยะไม่นานต่อมาทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนที่บ่ายหน้ามุ่งเข้าสู่มหานครตามท้องถนนอันกว้างใหญ่ที่ตัดผ่านไประหว่างขุนเขาสูงๆต่ำๆเป็นทิวสลับซับซ้อนนั้นครั้งแรกก็เริ่มควบเหยาะไปอย่างช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆทวีความเร็วขึ้นตามลาดับ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 ไม่มีใครมองเห็นราชนีเมยานีในละแวกใกล้ตัวที่ถูกแวดล้อมอยู่โดยทหารทั้งหมดไม่ทราบนางขี่ม้าอยู่ในตำแหน่งใดต่อเมื่อเวลาล่วงผ่านไปประมาณสักชั่วโมงเศษกองทัพผ่านนิคมคามแห่งหนึ่งในบริเวณถนนอันเทลงสู่ที่ราบตำ่ำจึงเห็นเงาของผ้าคลุมอังสาสีแดงปลิวสะบัดพลิวอยู่ในม่านฝุ่นเบื้องหน้า ฉลอฝีเท้าม้าลงโดยปล่อยให้ม้าอื่นๆวิ่งแซงผ่านไปจนกระทั่งขบวนม้าของฝ่ายเชษฐาวิ่งตามเข้ามาทันนางจึงชักม้าผกผลนทยานใกล้เข้ามาพวกท่านยังขี่ม้าสึกกันได้ดีทุกคนนางร้องทักมาด้วยเสียงแหลมใสกังวาลระคนแย้มสวนเริงร่าเราจะเร่งการเดินทางเพื่อให้ถึงพระนครให้เร็วที่สุดคาดว่าหลังเที่ยงเพลงเล็กน้อยก็คงจะเข้าถึงเขตประตูเมือง เช่นถาอนุชาและชัยยันโบกมือตอบแล้วบังคับให้ตามหลังขบวนที่นำไปเบื้องหน้าโดยไม่ได้ผ่อนฝีเท้าลงเลยเมยานีนำม้าเข้ามาชิดม้าของดารินจนวิ่งเคียงคู่กันตะโกนมานายหญิงเมื่อไผ่วันนี้นายหญิงเกาะหลังม้าของเมยานีระวังตัววันนี้เมยานีจะเกาะหลังม้าของนายหญิงบ้างละพร้อมกับบอกเช่นนั้น อดีตบุตรสาวหัวหน้ากองทัพประชาชนก็ดีดกายขึ้นไปยืนอยู่บนตะโพกม้าศึกของตนแล้วชั่วพริบตานั่นเองก็ลอยละลิ้วตรงเข้าไปซ้อนอยู่ด้านหลังของดารินอย่างคล่องแคล่วแม่นยำนางกอดเอวของดารินไว้น้ำหนักตัวและโดยความแรงที่โดดลงมาอย่างผาดโผนนั้นแทบจะทําให้หญิงสาวร่วงลงจากหลังมา้าดีแต่นางช่วยคว้าสายบังเหียนและร่างตัวหล่นไว้ได้ทันพร้อมกับหัวเราะลั่น มียานีเธอทำให้ฉันใจหายใจคว่ามหมดแล้วดารินร้องเสียงหลงในขณะที่ม้าตัวที่หล่อนขี่และมีราชินีมรกรุนครผู้ตลอดทั้งชีวิตของนางมีชีวิตอยู่บนหลังม้าศึกคร่อมซ้อนอยู่บัด น, นี้พุ่งปราดไปเบื้องหน้าราวกับลูกธนูด้วยฝีเท้าที่จัดเป็นพิเศษเหมือนจะเจาะจงคัดมาให้แล้วตัดหน้าแซงม้าอื่นๆผ่านขึ้นไปตามลาดับ ในลักษณะห่อตะบึงเต็มที่แม้จะบรรทุกไว้ถึงสองคนก็ตามผู้บังคับม้ากลายเป็นเมยานีไปเสร็จแล้วส่วนม้าของนางนั้นวิ่งหลังเปล่าตามหลังมาด้วยติดตดิเมื่อบ่ายวานันตอนนายหญิงโดดเกาะม้าของเมยานีเมยานีตกใจเสียยิ่งกว่านายหญิงอีกเมื่อคืนหลับสบายไหมนายหญิงสบายและคิดว่าเป็นสุขที่สุดนับตั้งแต่ออกเดินทางมาหล่อนตะโกนตอบ เธอหายไปไหนตั้งแต่เช้าเพื่อจะเห็นเอาเดียวนี้เองเมยานีมีภารกิจตรวจบัญชาการทหารอยู่เมื่อใกล้รุ่งหน่วยราตระเวณจากมหานครนำกระแสรรับสั่งเดินทางสวนออกมาว่ามีพระประสงค์ให้กองทัพนี้นำคณะของนายหญิงเข้าถึงพระนครโดยเร็วที่สุดอย่าได้ล่าช้าแม้แต่น้อยขณะ น, นี้เราเร่งม้าเหมือนยามพุ่งเข้าประจันบานศึกจะไม่ถ่วงเวลารอช้าอีกแล้ว เมยานีกับนายหญิงจะต้องไปนําอยู่ด้านหน้าของกองทหารทั้งหมดเพื่อเร่งทุกม้าให้ควบเต็มฝีเท้าเดี๋ยวนี้ขาดคําของนางม้าที่ดารินขี่อยู่ซึ่งตกอยู่ภายใต้การบังคับของเมยานีผู้ซ้อนหลังก็ทวีฝีเท้าเต็มเหยียดแหวกออกไปอย่างที่ว่างริมทางโดยไม่มีม้าอื่นบังกีดขวางอยู่ด้านหน้า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 เสียงลมที่พัดอู้ผ่านอยู่เบื้องหน้ากรบเสียงอื่นใดหมดสิ้นท่ามกลางแดดยามสายสีอัมพันที่ฉายฉาบเรืองรองไปทั่วภูมิประเทศรอบด้านชั่วไม่นานม้าหนุ่หน้าก็ทิ้งขบวนกลองทัพห่างออกไปไกลพอสมควรเพราะกองทหารทั้งหมดยังต้องรักษาขบวนให้เป็นไปตามรูปแถวพร้อมๆกันไม่อาจวิ่งได้เต็มฝีเท้ามานกะ เพราะห่วงม้าที่บรรทุกสัมภาระและกลุ่มของพวกลูกหาบอยู่ส่วนแช่ฐาอนุชาและชัยยันสังเกตเห็นเมยานีโดดเกาะไปบนหลังม้าดารินและออกนำาลิ้วไปเบื้องหน้าขบวนโดยแซงม้าอื่นๆไปโดยตลอดจึงพากันเร่งฝีเท้าม้าที่ขับขี่อยู่กวดตามหลังมาด้วยแต่ก็ยังไม่อาจกวดไล่ทันทั้งสองหญิงได้เป็นที่น่าประหลาดใจอยู่ทั้งท้ที่ม้าซึ่งนํารี้วอยู่เบื้องหน้านั้น แบกภาระหนักบรรทุกไว้ถึงสองคนแม้จะเป็นน้ำหนักของผู้หญิงก็ตามดารินนั้นครั้งแรกหล่อนเริ่มรู้สึกหวาเสียวเป็นอันมากเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยควบม้าที่มีความเร็วเช่นนี้มาก่อนและฝีเท้าม้าศึกของมรกรนครที่ขับขี่อยู่ในขณะนี้มันก็เร็วจัดผิดไปจากสภาพของม้าแข่งหรือม้าเพื่อการกีฬาที่หล่อนเคยขี่มาก่อนแล้วอย่างเทียบกันไม่ได้เลย แต่แล้วชั่วไม่กี่อึดใจต่อมานั่นเองกระแสแห่งความรู้สึกชนิดหนึ่งก็ค่อยๆแล่นเข้ามาครอบงำจิตใจตนเองโดยไม่รู้ตัวเมยานีนั้นจริงอยู่เกิดเจริญวัยเติบโตมาบนหลังม้าสงครามนางต้องมีความเป็นเอตทัคคะในการขี่ม้าอย่างแน่นอนและยากที่จะหาใครเสมอเหมือนด้วยแต่เมยานีจะสำนึกรู้บ้างหรือไม่ว่าในอดีตชาตินั้นดารินคนนี้คือใคร และอันว่าจิตตรังขนางนั้นยามใดก็ตามที่ประทับอยู่เหนือหลังม้าศึกยามนั้นก็ไม่มีนักรบใดในแผ่นดินจะปราดเปรียวว่องไวเทียบเท่าเมื่อวิ ญ, ญญาณเดิมเข้าครอบงำดารินก็หมดสิ้นความหวาดหวันพรั่นใจใดๆต่อไปอีกแล้วม้าศึกกับเมยานีแห่งมรกตนะครเป็นสิ่งคู่กันฉันใดม้าศึกกับจิตรรังขนางแห่งนิทรานครก็เป็นของคู่กันฉันนั้น โดยไม่มีการหยุดพักที่ใดเลยทั้งสิ้นอันตราวิ่งของม้าบางระยะก็ควบอย่างตะบึงเต็มที่บางระยะก็อาจผ่อนลงบ้างขบวนทั้งหมดเริ่มผ่านนิคมคามแลเห็นไร่นาปศุสัตว์และบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นทุกขณะมีผู้คนประชากรเดินผ่านอยู่ริมทางบ้างก็นั่งอยู่บนหลังสัตว์พาหนะและรถเทียมภากันหยุดสัญจร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 ขณะนี้เมยานีได้เปลี่ยนม้ามาเป็นของตนแล้วโดยขับขี่สะบัดย่างอยู่เคียงข้างดารินพ่อฟีเท้าลงไม่ควบเร็วจนเกินไปนักเมื่อผ่านหมู่บ้านพรางนางก็ชี้ชวนให้ดูไปยังภูมิประเทศริมทางผ่านพร้อมทั้งอธิบายให้ทราบเตื่นรำลึกย้อนหลังเชษฐาอนุชาชัยยันตามมาทันแล้วรวมเป็นห้าม้าซึ่งเหยาะนาอยู่เหนือขบวนทั้งหมด คนตะ ว, วันเริ่มตรงศีรษะก็มาถึงทางใหญ่สองแพร่งเส้นต่างจำได้ดีที่สุดว่าเป็นเส้นทางที่จะแยกไปยังมหาปราสาทของพระแม่เจ้าอุมาเทวีหรือสุสารแหล่งเก็บขุมเพชรมหาศาลทุกคนต่างชี้กันให้ดูทันทีพร้อมกับร้องบอกกันเองอย่างตื่นเต้นนี่ถ้าเราแยกไปทางนี้อีกเดียวเดียวเท่านั้นก็จะถึงปราสาทพระอุมาแล้วก็คงเห็นซ่าเครื่องบินตกอยู่บริเวณนั้น ชั ย, ยันอุทานออกมาดึงมาให้ชะลอลงแต่เมยานีควบมาประชิดจับสายบังเหียนไว้ชุดให้มุ่งไปข้างหน้าตามเดิมพร้อมกับบอกว่ายังไม่ทรงอนุญาตให้พวกพี่ทั้งหมดแยกไปไหนก่อนทั้งสิ้นอย่าลืมคำมั่นสัญญาเสียสิคะพี่ชัยยันมุ่งเข้าสู่ราชฐานก่อนเถิดเหลือระยะทางใกล้ๆอีกแค่นี้เองเรามาถึงเร็วก่อนกาหนดไปมากทีเดียว อดีตนายทหารปืนใหญ่ยิ้มจิดจืดยอมปฏิบัติตามโดยสงบจิงของเธอพี่อาจใจร้อนตื่นเต้นมากไปหน่อยพวกพี่ไม่ควรจะขัดองค์การของจักรราชควรที่จะไปเฝ้าพระองค์ก่อนอื่นใดทั้งสิ้นเมยานีเราเร่งมา้าควบตะบึงตลอดมาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงโดยม้าไม่มีโอกาสได้พักเลยมันจะไปต่อได้ไหวหรืออนุชาเ อ, อ่ยถามขึ้นด้วยความเป็นห่วง ขณะที่เอามือตบลงไปเบาๆบนก้านคอม้าซึ่งเหงื่อแตกเป็นมันระยับและทุกตัวก็มีอาการเช่นเดียวกันหมดม้าศึกของมรกรกนครวิ่งได้ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกดินโดยไม่ต้องพักทอดหญ้าทอดน้ำเลยนางตอบมาเพียงเท่านั้นก็กระตุ้นให้เพนพลตัดผ่านหน้ากลุ่มของอนุชาชัยยันและเชษฐาไปอย่างรวดเร็วครั้นแล้วอีกชั่วไม่นานต่อมานะัก ขบวนทั้งหมดก็บรรลุถึงที่ราบโล่งอันกว้างใหญ่และนั่นคือทุ่งหน้ากำแพงเมืองส่วนตะวันออกตำแหน่งที่รพินไพรวันและกลุ่มของเชษฐาทั้งหลายติดตั้งธนูยักษ์เพื่อยิงระดมเข้าไปทำลายประตูเมืองเปิดทางให้กองทัพประชาชนบุกทะลวงเข้าไปมหานครมรกฎปรากฏให้เห็นลิบลบิตระงานงามอยู่เบื้องหน้าภายใต้กำแพงเมืองเชิงเทินและปราการหอรก ยอดปรางปรามหาปราศาสตเคหะอาคารและยอดเทวรัยโผล่ล้ําเรียงรายอยู่ท่ามกลางแสงอารามของตะวันเปล่งประกายวาวระยับหลากสีสันไม่ผิดกับเมืองในนิมิตฝันยิ่งใหญ่ไพศาลนับแม้จแะแลเห็นแต่กไกลก็บ่งบอกได้ถึงศิลปะประติมากรรมและสถาปัตยกรรมชั้นสูงงามสงา่าเรืองรองและเพียบพร้อมไปด้วยความมั่นคง ทุกคนที่เคยผ่านพบมาก่อนแล้วในครั้งกระนั้นบัดนี้ได้หวนกลับมาเผชิญหน้าอีกครั้งต่างยืนม้านิ่งตะลึงแยภาพนั้นเหมือนแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าจะได้กลับมาเห็นอีกส่วนพวกลูกหาบทั้งหลายที่เพิ่งจะมาเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตบัดนี้พากันชี้มือให้ดูและพึมพำพูดกันแซดจับสับไม่ได้ทุกคนมีแต่ความตื่นเต้นอัศจรรย์ใจขีดสุดครอบงำอยู่ในดวงจิตข้าฝันไปหรือเปล่าว่า นี่หรือเมืองของไอ้ขรียงแพนจรงแงซายที่เคยไปสมัครเป็นคนใช้ของนายใหญ่ครั้งนั้นในช่วหัวหน้าลูกหาบคลางออกมาขนาดที่ยกมือขึ้นขยี้ตาเป็นวาสนาของพวกเองแล้วที่ได้มาเห็นกตาดูไว้เสียและถ้ากลับออกไปได้ก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเพราะเขาจะไม่เชื่อพวกเองหรอกเหมือนเหมือนกับพวกเองที่ไม่เคยเชื่อข่ามาก่อนนั่นแหละ พรานเท่านานอินบอกเสยนต่ำๆกับหัวหน้าลูกหาบและหัวรอกเหือๆในลําคอบัดนี้เมยานียืนม้าลำหน้ากลุ่มของอาคารตุกกะต่างแดนออกไปเล็กน้อยได้หันมายิ้มให้แก่ฝ่ายของเชษฐาทั้งหมดที่พาการสงบนิ่งเงียบกริบเหมือนจะสังเกตสีหน้าและอาการของแต่ละคนยามนี้แล้วเอ่ยขึ้นราบเรียบว่าไม่ว่าพวกท่านจะจากไปไกลอยู่ณที่ใด จักรราชเมยานีและชาวมรกรนครทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านคงจะไม่ลืมแผ่นดินและบ้านเมืองแห่งนี้เสียได้เท่าเท่ากับที่ชาวมรกรนครทุกคนก็ย่อมจะต้องระลึกถึงพวกท่านตลอดไปยิ่งวีรบุรุษและวีรสตรีของอาณาจักรบัดนี้เหล่าท่านได้หวลกลับคืนมาอีกวาระหนึ่งแล้วสมตามจิตปรารถนาเรียกร้องของพวกเราทุกคน พวกเราก็มีความผูกพันอยู่กับแผ่นดินนี้ตลอดไปทั้งชีวิตและไม่อาจากล่าวคําใดออกมาได้เมื่อได้กลับมาเห็นอีกครั้งเราฝ่าขอบเส้นแบ่งขั้นของจั ก, กรวาลเพื่อจะย้อนกลับมาหาชาวมรดกนครให้ได้แม้จะมีความตายขวางกั้นอยู่ก็ตามนี่คือสิ่งที่กล่าวออกมาจากความจริงใจของพวกเราทุกคนเช่นกันเชษฐากล่าวด้วยเสียงกังวานลึก เมยานีก้มเสียลงด้วยน้อยเชิงรับคำเช่นนั้นก็ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่มหานครบัดนี้เถิดชาวมรกนครกำลังรอคอยการมาถึงและพร้อมแล้วที่จะต้อนรับด้วยความปิติปราโมทย์ใจนักกล่าวพลางนางก็ชูหัตขึ้นสูงแล้วโบกเป็นสัญญาณช้าๆกองทัพทั้งขบวนที่หยุดสงบนิ่งกันอยู่ตรงนั้น ก็เริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งพร้อมกับเสียงแตรและเสียงกรองก็ดังประสานกันขึ้นกระหึ่มจากกองทัพนั้นเข้ากับเสียงฝีเท้าม้าที่เหยาะย่างเป็นจังหวะกลายสภาพเป็นกองทหารเกียรตยิยศแห่งรูปขบวนแห่แหนเพื่ออัญเชิญอาคันตุกะผู้สูงเกียรติเคลื่อนตรงเข้าไปยังสวนหน้าของประตูเมืองในทันทีอย่างช้าๆใกล้เข้าไปและใกล้เข้าไปตามลาดับ จนกระทั่งแหลเห็นแนวกำแพงเมืองสูงตระงานเงื้อมถนัดตากินอาณาเขตยาวเหยียดกว้างไกลสุดลูกหูลูกตายิ่งไกลเท่าใดก็ยิ่งมองเห็นแต่ขอบกำแพงเมืองสูงล้ำบทบางยอดปราสาทราชวังอาคารเคหะสิ่งก่อสร้างสูงสูงในเขตตัวเมืองหมดสิ้นเพราะมุมบงังอรุชาบ่นพึมพำออกมาตามลําพังคนเดียวอย่างกังวลใจว่าพระพินไปอยู่เสียที่ไหนนี่ ดูไม่มีวี่แววว่าเขาจะมาถึงที่นี่เลยเสียงอุบอิบรำพึงของอดีตพรานชดไม่มีพักพวกคนใดได้ยินเพราะขณะ น, นี้ต่างก็พากันมองไปยังตัวกาแพงเมืองที่เคลื่อนใกล้เข้ามาตามลำดับเนื้อขอบกาแพงสูงขึ้นไปและในป้อมเชิงเทินบัดนี้พอจะสังเกตเห็นได้ถนัดว่ามีเหล่าทหารและประชาชนแออัดแน่นขนาดอยู่บนนั้นพร้อมกับเสียงโห่ร้อง ราชวตวัทงทิวโบกสะบัดพริ้วปริ ว, รวสวัยไปหมดส่วนด้านหลังก็ดังกึกกล้องด้วยเสียงกรองและเสียงแตรจากกองกำลังรบซึ่งได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นขบวนแห่งกองเกียรติยศไปแล้วอย่ามเมื่อนำอคันตุ ก, กะใกล้ประตูเมืองเข้ามาดารินขี่ม้าเขยนคู่กับเมยานีเหยาะย่างอยู่ข้างหน้าถัดมาจึงเป็นแถวหน้ากระดานของเชษฐาชัยยันและอนุชา และต่อมาอีกจึงเป็นแถวของนั้นอินขยินและพวกลูกหาบโดยมีม้าบรรทุกสัมภาระตามมาเป็นกลุ่มกองทหารทั้งหมดตามมาเบื้องหลังในรูปรุวขบวนอย่างเป็นระเบียบอีกประมาณ100เมตรประตูเมืองบานมะหือมาก็ค่อยๆเผยกว้างออกช้าๆกองทหารม้าแต่งกายสีแดงล้วนพร้อมธงหางแซงแซวก็เคลื่อนออกมาเป็นปีกแล้วยืนเรียงรายเป็นแถวปากแตร เตรียมต้อนรับอยู่เสียงตแตรและกรองที่ลั่นเป็นจังหวะดังกระหึ่มประสานออกมาจากฝ่ายในเมืองซึ่งบัดนี้แล้วเข้าไปเห็นประชาชนนับแสนออนแน่นขนาดกวัดแกว่งโบกแพรพันและทงหลากหลากสีอยู่ไม่ผิดอะไรกับสีของดอกไม้นานาพันทุกคนขนลุกเกลียวจากสิ่งที่มองเห็นอยู่กับครองจักสุในขนาดนี้ ไม่คาดคิดมาก่อนว่าชาวเมืองมรกรกฏนครจะเตรียมให้การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้เมื่อม้านําผ่านเข้าประตูเมืองไปเสียงโห่ร้องก็กรบทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้นเป็นเสียงโห่ร้องอย่างแสดงอาการยินดีต้อนรับเข้าตอกดอกไม้และแพร่พันปโปรยปลายลงมาจากกำแพงเมืองจนแทบจะท่วมข้อเท้ามา้าที่สะบัดเหยาะยางอยู่สองหูของทุกคนอื้ออึงไปหมด ทำให้รู้สึกเหมือนจะตกอยู่ในความฝันทุกใบหน้าของชาวเมืองเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มตะโกนเรียกนามของแต่และบุคคลสลับกันอย่างชัดเจนเป็นจังหวะจังหวะและในบรรดานามที่เปล่งเรียกออกมานั้นต่างสะดับได้ชัดว่ามีนามของระพินอยู่ด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในคณะที่มาถึงนี่ก็ตามทำให้เกิดความว้าเวขึ้นวูบหนึ่งและฉุกสะดุ้งคิดเป็นปัญหาว่า ขณะนี้รพินอยู่ที่ไหนชาวเมืองมรพตนครเข้าใจว่าเขาจะต้องอยู่ในกลุ่มเท่ทหารหลวงส่วนนี้ไปรับเข้ามาด้วยจึงได้เอ่ยเรียกนามของเขาออกมาด้วยเช่นนั้นจะมีความรู้สึกกังวลจิตสกิดใจอยู่อย่างไรในขณะนี้ก็ตามทุกคนของฝ่ายเช่้ท้าโบกมือส่งยิ้มทักทายให้แก่ชาวเมืองที่มาล้อมแน่นขนาดรอคอยต้อนรับเหล่านั้น เรียงรายอยู่ทุกแนวแถวถนนทุกจัตุรัสและที่อยู่บนอาคารบ้านเรือนก็โผล่อยู่ตามหน้าต่างช่องชั้นโบกมืออยู่ไหวๆเต็มไปหมดทุกหนทุกแห่งดอกไม้และผงหอมโปรยปลิวไปทั่วสาดมากระทบร่างกายของทุกคนหอมจรุงอกป้วนจเจริญแพร่ไปทางด้านใดก็ลานตาจนไม่สามารถลำดับภาพได้ ายที่กลับมาเยือนเต็มไปด้วยความปิติตื้นตันในไมตรีจิตของประชาชนชาวมรดกนครจนสุดที่จะกล่าวออกมาได้ดารินถึงกับน้ำตาคลอขณะที่โบกมือตอบกับประชาชนเหล่านั้นผ่านถนนกว้างใหญ่สายสำคัญย่านใจกลางมหานครผ่านจตุรัสต่างๆและมหาวิหารเทวลัยกระทั่งล่วงเข้าสู่บริเวณสนามชัยด้านหน้าของมหาปราศาสตร์ เขตเวียงวังอันโอรันซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเป็นสนามยุทธ์ครั้งสุดท้ายระหว่างจักรราชและกษัตริย์สิงหรากับรหัสยะสองฝากฝั่งถนนก็ขาคร่ำเนืองแน่นอยู่ด้วยคลื่นมหาชนที่ยืนโบกธงทิวคอยให้การต้อนรับโดยตลอดเป็นที่อบอุ่นยิ่งนักกองทัพใหญ่อันทําหน้าที่ไปรอคอยรับ และเชิญคณะอาคารตุกะมาจึงแยกออกไปแปรขบวนหยุดยั้งอยู่ยังบริเวณอันกว้างใหญ่นั้นคงปล่อยให้ทหารฝ่ายในเขตบรมมหาราชวังทำหน้าที่นำคณะผู้กลับมาเยือนผ่านเข้าสู่ประตูราชฐานชั้นในประสาทด้านหลังกลางวงล้อมของอุทยานอันงดงามสบพรั่งไปด้วยไม้ดอกไม้พันริมสาน้ำลอยฟ้องไปด้วยหงส์ขาวและหงส์ดำ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 บริเวณลานหินอ่อนด้านหน้าของปร า, าสาทหลังนั้นเมื่อขบวนของเชิดถาเคลื่อนตรงเข้าไปได้เห็นเหล่าสาวสวัสดิกำนำในและชาวพนักงานในเสื้อผ้าอาภรณ์หลากหลากสียืนเรียงรายคอยให้การต้อนรับอยู่ก่อนแล้วและเห็นแต่ระยะไกลและล้ำหน้าออกมาจากหมู่ของคนเหล่านั้นมีชายร่างผอมบางค่อนข้างเล็กเตี้ยในชุดเสื้อคลุมยาวสีน้ำเงินเข้มถักลายทอง อันเป็นชุดของข้าราชบริพารฝ่ายในชั้นสูงยืนกระสับกระส่ายอยู่มีอาการชะเง้อชะงแงะและยกมือขึ้นป้องหน้าเม่นมองเหมือนจะเร่งให้ขบวนที่บายหน้าตรงเข้ามานั้นได้มาถึงเสียโดยเร็วกระทั่งในที่สุดขบวนทั้งหมดก็ได้เข้ามาถึงและก่อนที่คณะของทุกคนจะลงจากหลังมา้า ชายร่างเล็กในชุดเสื้อคลุมสีน้ำเงินก็วิ่งตรงสวนเข้ามาทันทีพร้อมกับตะโกนกล้องอย่างตื่นเต้นปิติใจหรือที่จะกล่าวนายพวกนายกลับมาแล้วฝ่ายของเชษฐาทุกคนจ้องไปยังร่างนั้นและอุทานออกมาพร้อมกันสร้างป้าคนแรกที่กระโดดลงจากหลังม้าคือชายยันขณะที่ตะโกนเรียกนามนั้นเขาก็แล่นทลาสวนเข้าไป อันเป็นเวลาเดียวกับที่ร่างเล็กบอบบางวิ่งตรงเข้ามาหาพ่อถึงชัยยันก็สวมกอดเจ้าส่างปาขี้ลิงอันมีอดีตเป็นคนใช้คู่ชีพของมาเรียเอาไว้แน่นส่างปาเองก็กอดเข้าไว้เช่นกันละล่ำละลั่งเอ่ยนามและทักทายชัยยันจนลิ้นพันกันไปหมดฟังไม่ได้สับดารินอนุชาเชษฐานานอินและขยินลงจากหลังม้าตามลาดับ และพากันกรูเข้าไปหาสางตาซึ่งบัดนี้มีลักษณะวุ่นวายจ้าละวันไปหมดวิ่นเข้าไปเกาะคนโน้นทีคนนี้ทีพร้อมกับแหกปากทักทายเอ็ดอึงไปหมดชนิดไม่อาจระงับความรู้สึกอันสุดแสนที่จะตื่นเต้นยินดีนั้นไว้ได้อาการของเจ้าทาตเผ่าตองสูของมาเรียฮอฟมันขณะนี้เหมือนลิงน้อยๆที่เล่นเข้าไปหาแต่ละบุคคลเหล่านั้นแลดูเป็นที่น่าสมเพช ทางฝ่ายของเชษฐาเองที่เคยคุกคีกับส่างปามาก่อนก็ล้วนปิติยินดีกันทั่วหน้าที่ได้พบเห็นส่างปาอีกครั้งในสภาพที่ได้รับการเลี้ยงดูให้มีความสุขสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์สมกับที่จักรราษได้ทรงให้คามั่นสัญญาไว้กับมาเรียและทุกคนก่อนที่คณะทั้งหมดจะจากไปในครั้งนั้นโดยมอบส่างปาไว้ให้ในมรกนครแห่งนี้ เมญาณียังประทับอยู่บนหลังม้าทอดเนตรดูสภาพการทักทายพบปะระหว่างสองฝ่ายด้วยรอยแย้มสวนน้อยๆอย่างชื่นชมไปด้วยที่ได้เห็นสัมพันธ์อันลึกซึ้งของทั้งสองฝ่ายและความซื่อสัตย์จงรักภักดีของสางปาอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายนางได้ปล่อยให้สภาพแห่งพบปะทักทายอันวุ่นวายสับสนนั้นดำเนินไปชั่วขณะหนึ่งก่อนและจึงเหยาะม้าเข้ามาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงใสกังวาน ส้างปาเมื่อนั้นสัพพะสำเนียงอันจอแจเจากแจ๊กจึงเงียบกริบลงในทันทีเจ้าส้างปาซึ่งบัด น, นี้คือแพทย์หลวงประจำราชสำนักก็พลันได้สติรู้สึกตัวยืนประสานมือทั้งสองไว้เบื้องหน้าและค่อมกายโค้งต่ำลงเพื่อรับกระแสส ว, วนีเยี่ยงข้าราชบริพารมนตรีผู้ได้รับการฝึกปืออบรมประเพณีพิธีการในราชสานักมาอย่างดีแล้ว แตกต่างไปกว่าเจ้าสางปาขี่ลิงพรานรับใช้ชาวตองสูของมาเรียนแอดิตไปเป็นคนละคนพระเจ้าค่ะเจ้าจงปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของเราและชาวมรกตนครทั้งหลายให้การรับรองคณะเจ้านายเก่าผู้มีพระคุณให้มีความสุขอยู่หน้าปราสาทแห่งนี้ด้วยเถิดช่วยจัดการดูแลอย่าให้มีอันใดาขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดสางปาน้อมกายต่ําลงไปอีก พระเจ้าค่ะนางผินพักมาทางคณะของเชษฐาซึ่ง บ, บัดนี้พากันเหลียวมองมาเป็นตาเดียวยิ้มให้ขอเชิญพวกท่านทุกคนเข้าพำนักให้สุขสบายอยู่ยังปราสาทแห่งนี้ก่อนอย่าได้มีปัญหาหรือมีกังวลใดๆในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นเมยานีขออำลา จ, จากท่านไปก่อนชั่วขณนะเดี๋ยวเมยานีนั่นเธอจะไปไหนและเมื่อไรเราจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าองค์จั ก, กรราช ดารินทักมาโดยเร็วนางพญาแห่งมรกรนครชักมา้าสะบัดเต้นพกผินอยู่ไปมาโบกหันให้สีพระพักและแววเนธมีประกายสอเล็ดในรับลมพระขน ย, ย, ย, ย่วยเย้าเมยานีจะส่งข่าวให้ทราบเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตให้พวกท่านทั้งหลายได้เข้าเฝ้าแต่คงไม่ใช่เวลานี้แน่นอนขอให้โชคดี รับสั่งเพียงแค่นั้นนางก็นำกองทหารรักษาวังอันทาหน้าที่มาส่งคณะจนถึงที่อันจัดไว้ให้สำหรับพักนั้นควบไม้เหาะช้าๆพระจากไปทั้งขบวนโดยไม่ได้เหลียวกลับมาอีกเลยไม่ว่าดารินจะร้องทักท้วงเรียกซ้ำมาอีกเช่นไรหญิงสาวทําหน้ายุ่งจุปากบ่นออกมาดังๆเอ๊ะยังไงกันนี่พวกเราเข้ามาจนถึงใจกลางมหาราชวังแล้วอย่างนี้ ทำไมยังไม่เห็นแง่ทรายและยังไม่มีท่าทีว่าเราจะได้พบเขาเลยมันแปลว่าอะไรกันเอาเถิดหน้าใจเย็นๆไว้น้อยพี่ชายใหญ่ตบไหลมาเบาๆ บ, บอกมาปนยิ้มแง่ทรายอาจมีเหตุผลเฉพาะตัวของเขาอะไรบางอย่างจึงยังไม่ให้เราได้พบในขณะนี้ก่อนแต่ถึงอย่างไรเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางปลอดภัยเรียบร้อยดีที่สุดแล้ว และก็ได้พบส่างปลามาคอยต้อนรับเราอยู่นี่แล้วประเดี๋ยวค่อยคุยตล่มสอบถามส่างปลาเอาก็ได้ในทุกเรื่องที่เราอยากรู้โปรดฟังต่อแผ่นที่สองค่ะ